วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของชาติวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่12สิงหาพุทธศักราช2553ประเทศไทยได้ยกว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติคือเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันสมภพเป็นวันของพระบรมราชินีนาฏพวกเราก็ถือ ว่ายกวันนี้เป็นวันแม่แต่วันที่ห้าธันวาเป็นวันของนายหลวงเป็นวันนายหลวงเกิดอันนั้นก็คือเป็นวันพ่อแห่งชาติพ่อแม่พวกเราให้สำนึกไว้ในใจเสมอพ่อแม่มีคุณกับเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างไร พ่อแม่เป็นผู้ให้ความอบอุ่นกับเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นลกูกควรจะคิดไว้ในใจไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราไปยืมเงินเขาเราเป็นลูกนี่แต่ขณะที่ไปยืมเขานั้นไปยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกเขาก็ให้ด้วยน้ําใจเขาไม่ได้คิดค่าอะไรเออเอายืมไปเถอะเอาไปใช้แล้วเอาค่อยเอามาใช้นะอันนี้แปลว่า เจ้านี่มีน้ำใจแต่พอเอาเงินขอมาใช้แล้วนู่นทำท่าเป็นนักเลงจะฆ่าเจ้าของทรัพย์อีกต่างหากอันนั้นแปลว่าผู้ไม่รู้จักพระคุณของคนถึงจะมีอายุหรือว่าจะเริญ จ, จะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนทางโลกทางด้านวัตถุแต่จิตใจของเขาคนนั้นเสื่อมดำ ปิดปีเ่างั้นแตะเพราะเหตุไรพ่อว่าเขาไม่มีคุณธรรมในจิตใจนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณให้เราทุกอย่างให้เราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเราออกมาจากไหนออกมาจากท้องแม่พอออกมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องดูแลประคบประงมให้อาหารการบริโภค ให้เครื่องทุกอย่างในปัจจัยสี่ดูแลอย่างสุดจุดอันนี้พวกเราก็เห็นที่เด็กเกิดมาใหม่พ่อแม่เขาเลี้ยงกันยังไงยิ่งเป็นพ่อแม่ที่แล้วเลี้ยงลูกตนเองนั้นเลี้ยงอย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่มีลูกอย่างที่หลวงพ่อนะไม่มีลูกหลวงพ่อก็เห็นว่าเขาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงกันยังไงพ่อแม่ของเราเลี้ยง ตัวของหลวงพ่อเองก็ไม่แพ้กันกับเรื่องที่เราเห็นนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ให้เปรียบเทียบว่าพ่อแม่เลี้ยงดูบุตรนั้นพ่อแม่ประครบปะงะหงมให้การเลี้ยงดูให้ข้าวน้ําอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นแก่ลูกน้อยเขายังไง แต่เราที่เกิดมาพ่อแม่ก็ให้ความอบอุ่นอย่างนั้นพวกเราจึงได้ใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะนั้นถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาท่านถือว่าพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือเป็นผู้ให้ให้เราก่อนให้เราก่อนทุกอย่างอย่างที่พ่อแม่ให้เด็กยังไงเราได้เห็นไหม เราได้สังเกตไหมพ่อแม่ให้เด็กอย่างไรเราเคยเป็นเด็กเนี่พ่อแม่ก็ให้ให้เราอย่างนั้นแ่ะไม่แพ้กันนี่แลลวเป็นบุพการีปลุกคนผู้มีอุปการะก่อนแล้วเราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราจะแสดงความกะตันยูกระตะเวที่ตากับพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะตอบพระคุณฉนองพระคุณท่านอย่างไรเราจะเป็นคนดีเราจะตั้งใจเรียนหนังสือ เราจะเป็นผู้ว่างง่ายซ้อนง่ายสาหรับพ่อแม่เราจะไม่ดื้อด้านเราจะไม่ตกเถียงพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะพูดผิดถูกยังไง น, นั้นถือว่าเป็นผู้มีอุปกราระคุณเราต้องฟังไว้ก่อนในเมื่อพ่อแม่อารมโมโหโทโศกโกรธฉุดให้แก่เราเราต้องฟังจากนั้นเมื่อมีโอกาสเราจึงค่อยมาชี้แจงมาทำความเข้าใจกับพ่อแม่อีกทีหนึง่ง นี่นะัหละเทวโลกที่ดีต้องมีลักษณะอย่างนั้นจากนั้นเดินเรื่องการเป็นอยู่เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วช่วยตนเองได้ได้ทําการทํางานมีเงินเดือนขึ้นมาแล้วก็มีครอ บ, ม, รบมีครัวมีสมบัติพัฒนาขึ้นมาพ่อแม่เป็นอย่างไรพ่อแม่ของเราทุกยากลําบากอย่างไรแต่ถ้าบางคนพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาที่จะหา ทรัพ ส, สมบัติเลี้ยงลูกแต่พอลูกขึ้นมาเนี่ยก็พยายามส่งเสียลูกบางทีก็ส่งตามส่งเสียอาตามอัตภาพก็ไม่ได้ส่งเสียเข้าเรียนหรือว่าให้ทุนไปเรียนแต่ลูกพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ออกจากพ่อแม่ไปทํามาค้าขายไปสาะแสวงหาทรัพย์ด้วยลําแข้งของตนเองจเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้มีเงินคําทรัพย์สมบัติแต่บางคนก็ลืมพ่อแม่ไปอีก อย่างนั้นก็มีบอกว่าพ่อข้าพเจ้าไม่ได้เอาเงินคําทรัพย์สมบัติมาจากพ่อแม่ข้าพเจ้าสสแสวงหาเอง mm hmm. ก็เลยลืมพระคุณของบิดามารดาอันนั้นไปว่าเป็นลูกที่เนรคุณนะพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่ากองทุนก้อนทุนเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่ร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายทุกอย่างทุกอย่างในร่างกายเราได้มาจากใคร พ่อแม่เป็นผู้ให้มาเพราะนั้นถึงเราจะไปทำยังไงก็เอาเงินก้อนก้อนนี้กองทุนก้อนนี้ไปลงทุนในเมื่อได้ทุนมาแล้วเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของบิดามารดาทดแทนพระคุณของพ่อแม่ของเราว่าพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณเราควรจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรไม่ใช่จะเฉยเฉยเมยเมไม่ใส่ใจกับพ่อแม่จะเลยอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นแปลว่า ไม่แสดงความกระตันอยู่กะตะเวที่ตาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะรัทธาญาติโยมทุกท่านพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อย่ามองข้ามอย่าดูดายให้มองให้เคารพท่านถึงเราจะทำสิ่งไหนก็ตามเว่าเรายังมาบวชเป็นพระเราไม่มีอะไรจะทดแทนท่านนี่แหละเป็นการทดแทนอันยิ่งใหญ่เราเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่างวันแม่วันนี้ เข้าไปเจ้าจะภาวนาทั้งวันเข้าไปเจ้าจะพยายามทําจิตให้สงบตลอดเข้าไปเจ้าจะไม่คิดปุงฟุงซ่านเพื่อบูชาพระคุณของพ่อของแม่วันนี้นี่แหละในเมื่อเราทําอย่างนั้นได้บุญกุศลที่เกิดจากการทําสมาธิของเราจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบิดามารดาของพวกเราพ่อแม่ของพวกเราถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรท่านไม่สบายใจอย่างไร บุญกุศลที่เราได้ทําไว้นี้จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นพลังเกื้อกูลหนุนท่านให้ให้ท่านมีความสงบร่อนเย็นเป็นจุกทางด้านจิตใจแล้วก็หายจากโครคคาพยาธมีความสุขทั้งทางกายทั้งทางใจนี่แหละอันนี้ก็คือทุกเราพวกเราทุกภาคส่วนพูดอย่างนั้นได้ทั้งเป็นพระก็ดีเป็นครวญญาติโยมก็ดีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ดี ให้ลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่วันนี้วันนี้ประเทศชาติของเรายกประเด็นว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทุกคนเพราะนั้นพวกเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณถ้าหากว่าพวกเราทำสิ่งไหนที่ทำไม่ดีทำกรรมชั่วพ่อแม่เห็นแล้วพ่อแม่รู้แล้วว่าการกระทาของเรานั้น ไปในทางที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่พวกเราจะเสียใจในเมื่อเสียใจก็เหมือนกับเราโยนฐานไฟให้ให้ท่านใครทว่าเราทํำกรรมชั่วแล้วโยนฐานไฟให้ท่านท่านไม่สบายใจท่านเป็นทุกข์ใจกับเราสิ่งนั้นถ้าทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่เราทําไปแล้วพ่อแม่สบายใจกับเราในการกระทํานั่นแหละเหมือนกับยื่นเงินคําทรัพสมบัติให้พ่อให้แม่เพราะนั้นพวกเราจะยื่นอะไร ให้พ่อแม่เป็นหลังวันเป็นหลังวันของพ่อแม่วันนี้เราจะยื่นฐานไฟหรือเราจะยืน่นยื่นเงินคำทรัพย์สมบัติให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกลูกๆทั้งหลายจะต้องคิดนะอย่างหลวงพ่อเนี่เหมือนกันเน่ะที่หลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้ถ้าว่าโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นหลวงพ่อน่ยท่านก็คงจะภาคภูมิใจเหมือนกันเออลูกของเราได้เลี้ยงดูมาด้วยความยากลําบากพอเขามาบวช ในพระพุทธศาสนาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็พระพฤตตนด้วยสม่ำเสมอมาถึงป่านนี้จากนี้ก็เป็นที่รู้จักของคู่คนแล้วก็เป็นผู้ให้โอวาตและก็เป็นผู้มุ่งมั่นในในอัดในธรรมพ่อแม่ก็คงจะดีใจถ้าเป็นพ่อแม่ของหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันหลวงพ่อก็พยายามทามให้ดีที่สุดในเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็คงจะภาคภูมิใจ ในเมื่อพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปนะถ้าท่านยังมีวิญญาณท่านมองดูท่านก็คงจะภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อเวลาทําคุณงามความดีสิ่งใดก็ตามหลวงพ่อก็ลําลึกถึงพระคุณของท่านเออก่อนที่เราจะได้ร่างกายนี้มาก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้มาและก็เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแต่บัดนี้เราถึงขนาดนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เข้าไปเจ้า ได้ทําคุณงามความดีมากน้อยก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อของแม่แต่ว่าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทามีสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินนะอันนี้หลวงพ่อลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉนั้นเรื่องพระคุณของพ่อแม่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าร่างกายของเรายังมีอยู่ตราบใดพระคุณของพ่อของแม่ก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่ตราบนั้น พรนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนนะให้ลำลึกถึงพระคุณของแม่นานๆหลวงพ่อจะได้พูดถึงพระคุณของบิดามารดาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติหลวงพ่อจึงได้พูดขึ้นมาแนะนำพี่น้องประชาชนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมพระคุณของบิดามารดาพ่อแม่ของตนเองพ่อแม่เป็นพรมของบุ เป็นพรมของผวกก็คือเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพรมวิหารไม่มีใครที่จะมีพรมวิหารมีเมตตายิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่นี่ปราถนาอย่างสุดซึ้งอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเป็นผู้มีเมตตาอย่างมากทําลูกของตัวเองตกทุกข์ได้ยากอย่างไรพ่อแม่นี่แปลว่าเกือบจะตายแทนได้เห็นไหมพวกสัตว์ที่ไรฉันขนาดไก่เนี่ย มันเลี้ยงลูกของมันถ้าเราไปใกล้ๆลูกของมันมันก็ยังขึงไปอีกมามันจะตีเราเตะเราเพราะอะไรเพราะมันหวงลูกของมันมันไม่ได้คิดว่าคนจะตีมันคนจะค้อนทุบมันมันไม่ได้คิดมันมีแต่หวงลูกของมันถ้าลูกมันไปในที่ปลอดภัยแล้วมันก็วิ่งตามลูกของมันไปนี่ก็เหมือนการพ่อแม่กรักษะอย่างนั้นถ้าว่าลูกตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรพ่อแม่จะต้องดูอย่างสุดๆต้องปรึกษากันแล้วปรึกษากันอีก เงินคำทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ไม่ได้ห่วงเพื่อจะให้ลูกตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่อันนี้แหละคือหน้าที่ของพ่อของแม่ท่านเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเพราะนั้นท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเป็นผู้มีเมตตามีน้ำใจอย่างมากกับบุตบุตรธิดามีน้ำมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเมตตาคืออะไรคื อ, อยังไงจะช่วยลูกให้ตนเองมีความสุข มุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อโลกตัวเองมีความสุขอยู่แล้วกรุณาคื อ, คอสงสารอยากจะช่วยลูกให้ตนเองพ้นจากทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็พยายามถ้าว่าลูกหลานตัวเองเรียนมาดีก็พยายามอยากจะให้ช่วยอยากจะให้เรียนให้ดีมีความสงสารเมตตากรุณามุทิตาอุปเปขาคือวางเฉยมันวางเฉยไม่ได้หรอกพ่อแม่กับลูกนะถ้าว่าพ่อแม่ ลูกถึงคลาวิบัติลูกป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ลูกเป็นมะเร็งนะนะจะตายแล้วลูกของเราเพ่อแม่โอ้ทุกยากลาบากในจิตใจถึงขนาดไหนไม่อยากจะได้ยินเลยมีเท่าไหร่ช่วยทุ่มใส่ทั้งหมดนี่แหละพ่อแม่จะวางอุเเปกขาไม่ได้แต่เท่าในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าให้มีมอุปเเปกขาด้วยนะเมตตากรุณาผุ้ทิต า, ต า, ตาอุเปกขา อุเบกขาคือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อถึงลูกของเราถึงคราววิบัติแต่พ่อแม่ทําไม่ได้จุดนี้เพราะฉนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรหมพรหมวิหารเนี่ยพรหมของบุท ธ, ธิดาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และลูกและพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์พระพุทธเจ้าเ ป, เปรียบเทียบหลายหายอย่างะพ่อแม่เป็นบุพก า, ารน์ทาไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า พ่อแม่เป็นบุคพอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเด็กเกิดมาใหม่ใครเป็นคนสอนก่อนบุคคอาจารย์ไปว่าเป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาใครเป็นคนสอนลูกแต่ละคนเราในรับได้รับการสั่งสอนมาจากใครพ่อแม่นะ่ะเป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบตร ธ, ธิดาจากนั้นก็เลี้ยงขึ้นมาก็กินป้อนข้าวอย่างนี้นะขาบทายอย่างนี้นะ พอจะรู้เดียงสาภาวะพยายามสอนให้เรียกพ่อให้เรียกแม่ให้เรียกพี่ป้าน้าอาให้เรียกพี่พี่น้องๆจากนั้นก็เรียกพอพูดอ่อแแอเป็นภาษาคนได้แล้วทุกวันนี้เขาส่งเข้าไปโรงเรียนเลยท่านนี่แหละอันนี้คืออันดับแรกก็คือพ่อแม่เป็นคนสอนก่อนแต่สมัยก่อนเก่านั้นสมัยยุคของหลวงพ่อเนี่ยอายุเจปีเขาจึงให้เข้าโรงเรียนปฐมมัธยมแต่ทุกวันนี้สามปี สองปีสามปีเขาก็ให้เข้าโรงเรียนแล้วพอรู้เดียงสาภาวะนิดหน่อยอันนี้ก็คือพ่อแม่เป็นบุกคาจารถึงจะเข้าโรงเรียนก็เถอะเราได้เงินมาจากไหนการไปส่งเสียการเดินทางของเราเป็นยังไงที่ไปรับไปส่งนั้นเราเดินไปไหวไหมไม่ไหวต้องพ่อแม่เป็นผู้ให้พี่เลี้ยงเป็นผู้จ่ายเงินให้พี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลอกีกเพราะนั้นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสาหรับ บุตรธิดาทุกคนท่านจึงถือว่าพ่อแม่เป็นบุปภาอาจารเป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาจากนั้นก็ส่งเสียถึงปริญญาตรีโทเอกสุดแท้แต่ลูกจะมีความสามารถในการเ ร, เรียนขนาดไหนพ่อแม่ให้หมดถ้าพ่อแม่มีฐานะเว้นเสียแต่พ่อแม่มีฐานะยากจนก็ส่งลูกเท่าที่จะส่งได้แต่ถึงยังไงก็เถิดลูกบางคนก็ ยังขยันขยอยที่อยากจะให้พ่อแม่ส่งถึงปริญาเอกก็มีตามไม่จริงพ่อแม่ส่งถึงขนาดนี้เราก็น่าจะภาคภูมิใจต่อไปเราก็หาเองก้าวเองไม่ใช่ว่าให้พ่อแม่ป้อนข้าวตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายอย่างนั้นแปลว่าลูกเห็นแก่ตัวเกินไปไม่น่าจะถูกต้องหลวงพ่อว่านะลูกมันต้องพยายามเดินยืนด้วยลําแข้งของตัวเองพอที่จะช่วยตนเองสิ่งไหนได้ก็พอจะช่วยให้พ่อแม่ แบ่งเบาภาระของพ่อของแม่ออกไปนี่แหละคือหน้าที่ของบุตรธิดาเราต้องคิดนะต้องคิดถึงอกหงอกระพงพ่อแม่ถ้าเรามีลูกขึ้นมาเด็เราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้างองแงอย่างเรานี่แนะมีแต่ขออย่างเรามีแต่เอาใจอย่างเราี่มีแต่โมโหโกโถโกทาให้กบแก่พ่อแม่อย่างเราเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่ได้ลูกอย่างเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ให้ลูกๆทั้งหลายช่วยๆกันคิดเหมือนกันนะ อันนี้คือพ่อแม่เป็นบุพคาจารย์และพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพ่อแม่นะ่ยคือเป็นพระอรหันตพระอรหันต์คืออะไรเป็นผู้มีพระคุณยิ่งให้ทุกอย่างไม่มีใครที่จะให้ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราแต่ละท่านเพราะนั้นผู้ใดก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์อั น, น, นตรายกรรมห้าอย่าง มาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอรหันต์ะคาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอกสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันบาปผ้าอย่างนี้บาปหนักที่สุดเป็นปาราชิกเป็นบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาในหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปก็คือโทษประหารเลยเงือนเถอะว่าโทษหนักที่สุด บาปหนักที่สุดถ้าผู้ใดก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ก็เหมือนกับเราสั่งสมบารมีมามากมายแต่พอมาฆ่าพ่อกับฆ่าฆ่าพ่อแล้วว่าฆ่าแม่ไม่ใช่ฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่นะ่ฆ่าพ่อก็ดีฆ่าแม่ก็ดีฆ่าคนเดียวเท่านั้นแหละแปลว่าบุญกุศลที่เราสั่งสมมามากต่อมากเลยหมดเลยล้างกระดานเลยว่งั้นเถอะไม่มีสีเลยเหมือนกับเราวาดสีมาามากต่อมากสีสวยสดงดงามมา จนถึงจะได้รับรางวัลแล้วแต่พอเราทำกรรมชั่วเท่านั้นนะ่ยเอา น, น้ำขวดมาราดสีดละลายละเลียงลายเป็นผ้าขาวอย่างเก่านี้ก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราทำกรรมชั่วจุดนี้แนละ้วคือห้าอย่างนี้แล้วนะ่ะอันใดอันหนึ่งแปลว่าบาปเต็มที่เลยบุญกุศลแปลว่าหายสาบสูญไปหมดนี่แหละให้เกิดมาพ้นจากอเวจีมหานารกขึ้นมาแล้วก่นับหนึ่งใหม่เท่นี้ นับหนึ่งสร้างบุญกุศลใหม่วิญญาณดวงนั้นนะเพราะฉนั้นท่านเรียกว่าเป็นบาปอันหนักที่สุดถ้าใครเขาตามฆ่าพ่อฆ่าแมเ่เป็นอนันตริยกรรมบาปที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะฟังเอาไว้นะและก็สัง่งแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราอย่าให้มีโมโหโกรธาอย่าให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวถ้าทําไปแล้วนะั่นเป็นบาปหนักที่สุด เพราะว่าข้าพ่อข้าแม่เหมือนกับข่าพระหันพ่อแม่เนี่เหมือนกับพระหันของบุตรธิดาเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับบุตรธิดานี่แหละให้พวกเราคิดดูใช่ไหมทำคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าเมื่อเราคิดดูแล้วทีนี้เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกอย่างเราลูกไม่รู้จักพระคุณอย่างเราลูกเอาแต่ใจอย่างเรา ลูกไปจะโมโหโกธาให้พ่อให้แม่อย่างเราถ้าเราได้เป็นพ่อแม่ของลูกอย่างเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราภูมิใจไหมเราดีใจไหมถ้าลูกอย่างเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เราคิดถ้าเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็จะปรับตัวของเราเออเราควรจะเป็นเด็กดีเราจะเป็นคนดีเราจะควรจะเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่นี่แหละ ทีนี้เมื่อเรามีครอบมีครัวเท่มีครอบมีครัวมีมีสามีภรรยามีลูกทีนี้เราไปหาพ่อหาแม่เราพูดขึ้นมาทีไรพ่อแม่หนักกกหนักใจเสียอกเสียใจกับบุตรธิดาของตนเองกับลูกของท่านอย่างเราเนี่แหละ่สมมุติว่าเราไปทีไรหรือมันไม่แต่ไปขอท่านแบ่งมรดกแบ่งมรดกนี่ขอเงินจากพ่อจากแม่ว่าข้าพระเจ้าทุกยากพ่อแม่เออ เจ้าทุกยากเจ้าก็ไม่ทํางานเนี่ยแต่เจ้าไม่เก็บหอมลอมริบเนี่ยเจ้าต้องเก็บหอมลอมริบสิต้องหาเงินหาทองเองที่จะมาให้ขอจะให้พ่อแม่รบ ก, กวนได้หรือที่ดินก็มากอยู่น่าจะแบ่งขายน่าจะแบ่งให้ลูกถ้าว่าเราได้ลูกอย่างเนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ได้ลูกอย่างที่เราไปทําอย่างนั้น่ะพ่อแม่เราจะเป็นเราจะดีใจไหม ถลุมาขอกับเราอย่างนั้นมาทํากับเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกลูกหลานทุกคนคิดอีกเหมือนกันเพราะลูกพุกวันนี้โดยมากจะได้ยินเสียงอย่างนี้มามากต่อมากเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาพระคุณบิดามารดามากล้นเหลือคนาจะนับอะไรเข้ามาเปรียบเทียบไม่ได้คุณพระคุณของบิดามารดา กับทุกคนตั้งแต่หัวจุดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นพวกเราควรจะเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจทําการทํางานตกทั้งใจเป็นบุตรที่ดีของพ่อของแม่ในเมื่อบุตรที่ดีแล้วต่อไปเราแต่งการแต่งงานมีครอบมีครัวบุตรของเราก็จะดีด้วยเพราะเหตุใดเพราะเราทําดีกับพ่อกับแม่ของเราแต่ถ้าเราทํากับพ่อกับแม่ไม่ดี เมื่อเราได้ลูกขึ้นมาลูกก็จะเดินตามที่เราทำนั่นแหละถ้าเราเป็นลูกงอแงลูกที่เราได้มาก็งอแ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งเหมือนกะันนั่นทีนี้เราจะทำยังไงท่านนว่ากงล้อกำเกยนมะพร้าวไม่หล่นไกลจากต้นคนโบราณเขาบอกอยางไงลูกมะพร้าวไม่ไม่หล่นไกลจากต้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเราทำตัวไม่ดีลูกของเราก็จะเกิดขึ้นมาก็จะไม่ดี เหมือนกับเราทํากับพ่อแม่นั่นเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราได้พบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดให้ฟังแนะนําให้ฟังตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นคนดีจะเป็นผู้อยู่ในโอวาทของบิดามารดาเราจะเป็นผู้รู้พระคุณของพ่อของแม่นี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อสอนให้คิดสอนให้สํานึก สอนให้ความให้ไข้ควรไตรตรองเหตุและผลในการเป็นอยู่ถ้าพวกเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวซื่อบือ้อมีแต่อยากจะเอาเอาเอาอย่างเดียวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยอันนั้นอยู่กับใครก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเป็นผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเป็นผลละเมืองของประเทศชาติก็วุ่นวายไปหมดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะคนไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ทบทวนสิ่งควรไม่ควร ไม่รู้จักการสถานที่ไม่รู้จักบุคคลนะเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีนะให้บำเพ็ญกุศลอย่างวันนี้พวกเราได้มาบำเพ็ญกุศลในะวั น, นได้มาตักบาตรใส่บาตรและเป็นวันแม่แห่งชาติจากนั้นพวกเราก็จะได้เมื่อพระสงค์อนุมโมธนาให้พรพวกเราก็ ให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ของพวกเราหรือปู่ย่าตายายของพวกเราดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติพวกญาติญาติลูกหลานของเราที่ล่วงรับดับขันไปก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เข้าไปเจ้าได้มาบำเพ็ญในวันนี้ด้วยเถินนิคิดในใจอย่างนั้นเวลาขณะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรที่นี้เป็นพลังใจต่อวิญญาณเราก็มีพลัง ในการทำหน้าที่การงานหน้าที่การงานขอ ง, ของเราก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุไรเพราะว่าบุญกุศลเกื้อกูลหนุนใจของเราก็สบายแล้วก็การทําการทํางานก็จิตใจก็เยือกเย็นสบายเราควรจะขยันสิ่งไหนเราควรจะพักไว้ก่อนก็พักไว้ก่อนการดําเนินชีวิตเนี่ยมันมีมากมายหลายๆอย่างเหมือนกับรถนะมันมีแต่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวจะไหวหรือ มีแต่ใส่เกียร์ว่างอย่างเดียวจะไหวหรือหรือว่าเรามีแต่ไม่มีพวงมาลัยมันจะไหวหรือนี่แหละรถทั้งรถมันก็ต้องมีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเบรกสิ่งไหนที่สิ่งไห น, นที่มันไม่ดีเราก็เบรกอย่าทำสิ่งไหนที่มันดีเราก็ใส่คันเร่งเข้าไปให้ทำนี่แหละถา้าพวกเรา มีสติมีปัญญามีการไข้ควรทบทวนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นจะร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันแล้วก็อย่าลืมศีลธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ไหวพระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนไหวพระก่อนนะพรอเราเป็นพุทธศาสนิกชนอ拉หังสวะคาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะพุทธัทงธรรมังสังขังสัทนานัตฉามิ จากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างข้าพระเจ้าด้วยเทอนนถ้าลองแผ่เมตตาถ้าเรามีเมตตาในจิตในใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผู้ใดก็ตามจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวีนกับเราก็จองเวีจองกรรมไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเมตตา มีแต่ขอจองเวรแต่เราหลบไะงั้นเะเราไม่ขอจองเวรกับใครๆทั้งนั้นละมแต่เราจะให้เมตตาไม่จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์นะต่อวิญญาณทุกวิญญาณนี่แหละพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะต่อ น, นี้ไปพระสง์จะอนุโมทนาให้พร